b า o ส2 <33. S> 3สา3ที่สถานีรถไฟโพทอกสถานีรถไฟไปเบอร์ลินเที่ยวต่อไปออกเมื่อไรคะนอรสตทัวทรถถว์ไบลิน รถไฟไปปารีสเที่ยวต่อไปออกเมื่อไรคะร์กรรถไฟไปลอนดอนเที่ยวต่อไปออกเมื่อไรคะร์กนทัวก l ลลอรถไฟไปวอร์ซอออกกี่โมงคะนอร์ขี่รถ รถไฟไปสต็อกโฮมออกกี est, okay? ่โมงคะนอร์ขี่เรือทัวร์ไปสต็อกโ l มรถไฟไปบูดาเปสต์ออกกี่โมงคะนอร์ขี่เรือทั t ร์ไปบูดาเ e สตดิฉันต้องการตั๋วไปมาดริดหนึ่งที่ค่ะเอ็นบิลเ t t ตไ l ม a d r i ด ดิฉันต้องการตั๋วไป布รสหนึ่งที่ค่ะดิฉันต้องการตั๋วไปเบอร์นหนึ่งที่ค่ะรถไฟถึงเวียนนาเมื่อไหรค่คะรถไฟถึงมอสโคเมื่อไหรค่คะ Når toget i, n อ r ์อังค m มาถูกทัวร์ในมอสรถไฟถึงอัมสเตอร์ดัมเมื่อไรคะนอร r อังค์มาถูกทัวร์ในอัมสเตอร์ดมดิฉันต้องเปลี่ยนรถไฟไหมคะไม่ต้องเ t ลี่ยรถไฟออกที่ชานชาลาไหนคะวิลกปู รถไฟขบวนนี so ้มีตู้นอนไหมคะฟินน์สต์เดส e ววิคุเปต์โปดิฉันต้องการตั๋วไปบรัสเซลหนึ่งเที่ยวค่ะฉันต้องการต e ๋วกฉันต้องการตั๋วกลับโคเปนเฮเกนค่ะฮเกค่ะ ที่นั่งในตู้นอนราคาเท่าไหร่คะบาคสตใช้จ่าใน so